วันนี้เป็นวันเสาร์ที่สิบเอดมีนาคมพุทธศักราชสอง6ันห้าร้อยหสิบหเป็นวันที่สาธุชนพุทธรอยสัตว์ผู้ใฝ่ธรรมมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ ตั้งใจมาวัดเพื่อมาศึกษามาฟังคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อให้เกิดความรู้ความฉลาดที่จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตของตนสิ่งที่จะทำให้เรานี้มีความสุข จากชีวิตของเราเราต้องรู้จักตัวเราก่อนว่าตัวเราชีวิตของเรานี้ประกอบขึ้นด้วยอะไรซึ่งส่วนใหญ่เราจะรู้เพียงครึ่งเดียวของชีวิตของเราส่วนอีกครึ่งหนึ่งนี้เราจะไม่รู้กันเนื่องจากว่าครึ่งที่เราไม่รู้นั้นเป็น ส่วนที่เราไม่สามารถมองได้ด้วยตาของร่างกายนั่นเองเรามีตาของร่างกายเราก็เห็นเพียงแต่ร่างกายของเราเท่านั้นเราก็เลยคิดว่าชีวิตของเรานี้มีมีอยู่ที่ร่างกายนี้อย่างเดียวแต่ความจริงชีวิตของเรานี้ มีอยู่สองส่วนด้วยกันอีกส่วนหนึ่งนี้เป็นส่วนที่เรามองไม่เห็นส่วนที่เรามองไม่เห็นนี้เราเรียกว่าใจหรือจิตใจส่วนที่เรามองเห็นคือร่างกายจิตใจกับร่างกายนี้เป็นคนละคนกันเป็นคนละส่วนกันเป็นเหมือนกับฝาแฝด มาอยู่ติดกันเหมือนแฝดสยามแตดสยามนี่เวลาคลอดออกมานี่ร่างกายของแฝดนี้จะอยู่ติดกันใจกับร่างกายก็เป็นเหมือนแฝดสยามใจนี้ติดอยู่กับร่างกายส่วนที่มาทำให้ใจนี้ติด ที่ร่างกายนี้เราเรียกว่าวิญญาณวิญญาณทางตาหูจมูกลิ้งกายซึ่งเป็นส่วนประกอบของใจใจนี้นอกจากมีวิญญาณที่จะมาเกาะติดกับตาหูจมูกทิ้นกายแล้วใจก็ยังมีเวทนาคือความรู้สึกต่างๆรู้สึกสุข ทุกไม่สุขไม่ทุกข์แล้วก็มีความสามารถที่จะจําได้หมายรู้จําสิ่งต่างๆได้จํารูปเสียงกลิ่นรสพุทพภาได้หมายรู้ว่ารูปเสียงกลิ่นรสพุทพภานั้นเป็นใครเป็นอะไรแล้วก็มีความนึกคิดสามารถคิดถึงเรื่องราวต่างๆได้คิดถึงอดีตคิดถึงอนาคต คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดถึงคนนั้นคนนี้นี่คือส่วนประกอบทางใจที่เรามองไม่เห็นกันด้วยตาอันนี้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรู้ได้ทรงค้นพบว่าชีวิตของพวกเรานี้ประกอบขึ้นด้วยกับร่างกายและจิตใจ ที่มาเชื่อมต่อกันมาติดกันด้วยสัญญาณด้วยวิญญาณคือกระแสของการรับรู้วิญญาณนี้เป็นผู้ที่มาเกาะที่ตาหูจมูกลิ้นและกายเพื่อที่จะได้รับข้อมูลที่มาเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกาย สิ่งที่เข้ามาทางตานี่เราเรียกว่ารูปรูปที่เรามองเห็นกันเนี่ยรูปหญิงรูปชายรูปรถรูปรถยนต์รูปบ้านรูปต้นไม้รูปอะไรต่างๆนี้เราเรียกว่ารูปเป็นสิ่งที่เห็นด้วยตาเท่านั้นหูไม่สามารถที่จะเห็นรูปได้จมูกนิ้นกายไม่สามารถที่จะไปเห็นรูปได้ นี้เป็นผู้ที่มีหน้าที่เห็นรูปส่วนเสียงก็เป็นสิ่งที่เข้ามาทางหูเสียงที่เราได้ยินกันเสียงไพเราะบ้างเสียงไม่ไพเราะบ้างเสียงชมบ้างเสียงด่าบ้างเสียงลมพัดเสียงฟ้าผ่าล่านี้เรียกว่าเสียงเสียงนี้ก็เข้ามาทางหูแล้วก็ กลิ่นก็คือกลิ่นที่เข้ามาทางจมูกกลิ่นหอมบ้างกลิ่นไม่หอมบ้างแล้วก็รสต่างๆที่เข้ามาในปากสัมผัส ด, ด้วยลิ้นลิ้นนี่เป็นผู้รับรสต่างๆรสหวานเค็มเปรี้ยวมันเผ็ดร้อนเย็นอันนี้ลิ้นเป็นผู้ที่รับรับรส แล้วส่วนร่างกายทั้งร่างกายนี้เป็นส่วนที่รับสิ่งที่มากระทบกับร่างกาย mm hmm. เช่นอากาศอากาศเย็นอากาศร้อน mm hmm. ก็จะมากระทบที่ร่างกายทําให้เกิดความรู้สึกว่าร้อนขึ้นมาหรือเย็นขึ้นมาหรือเวลาที่มีของแข็งของคมมากระทบ mm hmm. ก็จะรู้ว่ามีของที่มากระทบเช่ mm hmm. นของแข็ง ของของแหลมคมเป็นต้นนี่คือสิ่งที่ร่างกายเป็นผู้รับเข้ามาผ่านทางทวารทั้งห้าตาหูจมูกนิ้วกายนี้เราเรียกว่าทวารทางเข้าทางเข้าออกทวารคือประตูประตูที่จะรับรูปรับเสียงรับกลิ่นรับร น, น นี่คือหน้าที่ของร่างกายร่างกายหน้าที่หรือความสามารถของร่างกายร่างกายมีความสามารถที่จะเห็นรูปได้ยินเสียงรับรสรับกลิ่นรับสัมผัส ต, ต่างๆที่มากระทบกับร่างกายแต่สิ่งที่ร่างกายทำไม่ได้ก็คือร่างกายไม่รู้รูปเสียงกลิ่นรสผลพระ ที่มาเข้ามาทางตาหูจมูกเส้นกายร่างกายนี้ก็เปรียบเหมือนกับกล้องถ่ายรูปหรือือหรือเครื่องโทรศัพท์มือถือที่รับรูปได้โทรศัพท์มือถือนี่ไปถ่ายรูปได้ไปบันทึกเสียงได้แต่ตัวโทรศัพท์มือถือเองนี้เขาไม่รู้ว่าเขาถ่ายรูปอะไรหรือได้ยินเสียงอะไร นี่คือณณความสามารถของร่างกายมีเพียงแต่ความสามารถรับรู้ไม่ใช่รับรู้รับรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะแต่ไม่รู้ไม่รู้รูปไม่รู้เสียงไม่รู้กลิ่นไม่รู้ผดทพะว่าเป็นรูปอะไรเป็นเสียงอะไรเป็นกลิ่นอะไรสิ่งที่จะมารู้นี้ก็คือใจ ใจนี้มีวิญญาณที่มาเกาะติดกับตาหูจมูกลิ้นกายคาว่าวิญญาณนี้คือการการรับรูปเสียงกลิ่นรสนี้เองผู้ที่มารับรูปเสียงกลิ่นรสนี้เราเรียกว่าวิญญาณวิญญาณทางตาวิญญาณทางหูวิญญาณทางจมูกทางลิ้นทางกายวิญญาณนี้เป็นผู้รับรูปรับเสียงรับกลิ่นรับรส รับสัมผัสที่มาเท่ากับร่างกายแล้วก็ส่งมาที่ใจใจนี้คือผู้รู้ผู้ที่มีความรู้สึกนึกคิดนี่เองพอรูปสัมผัสกับตาหรือเสียงสัมผัสกับหูวิญญาณก็จะรูปรูปนั้นเข้ามาเช่นมีรูปคนเดินมาอย่างนี้ วิญญาณก็จะรับรูปที่เข้ามาทางตานี้ส่งมาที่ใจเอาเข้ามาที่ใจวิญญาณนี้เป็นเหมือนสายเชื่อมต่อระหว่างาโทรศัพท์กับกับปลั๊กไฟนี้เวลาเราชาร์จแบตเตอรี่เราต้องมีปลั๊กไฟไว้เสียบด้านหนึ่งแล้วอีกด้านหนึ่งก็ไว้เสียบที่โทรศัพท์วิญญาณก็เหมือนกัน ด้านหนึ่งก็มาเสียบที่ตาหูจมูกขึก้นกายอีกด้านนึงก็มาเสียบที่ใจผู้รู้ผู้ที่จะรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสปทุทพะนี่คือใจพอวิญญาณรับรูปเสียงกลิ่นรสปุพะมาที่ใจใจก็จะมีสัญญาสัญญาคือเป็นผู้ที่ เป็นผู้ที่จะดูว่ารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะที่เข้ามา น, นี้เป็นรูปอะไรเป็นเสียงอะไรนี่คือหน้าที่ของวิญญาณไอของสัญญาความจำได้หมายรู้คำว่าจำได้ก็คือถ้าเกิดเคยเห็นรูปนี้มาก่อนเช่นเคยพบคนที่เห็นด้วยด้วยตาพอเข้ามาที่ใจใจมีข้อมูลเก่าอยู่ เปิดไฟดูก็กว่าอ๋อคนนี้เคยพบกันมาก่อนรู้จักว่าชื่อนั้นชื่อนี้หรือว่าเป็นหญิงเป็นชายนี่คือหน้าที่ของสัญญาเมื่อรูปเสียงกลิถถ่นรสทพภะเข้ามาที่ใจด้วยการเชื่อมต่อของวิญญาณวิญญาณจะเป็นผู้รับรูปเสียงกลิ่นรสจากร่างกาย มาที่ใจพอมาที่ใจสัญญาก็จะทาหน้าที่ตรวจสอบดูว่าเป็นรูปอะไรเป็นเสียงอะไรเป็นใคร mm hmm. พอตรวจสอบแล้วได้ข้อมูลว่าเป็นเป็นสิ่งเป็นคนเป็นรูปที่เรารู้จักหรือไม่รู้จักเป็นรูปที่เรามีประสบการณ์ที่ดีหรือไม่ดีเป็นต้น ถ้าเราจำได้ถ้าเป็นสิ่งที่เราเคยเห็นมาก่อนเราก็จะจำได้ mm. เพราะสัญญานี้เป็นความจำได้หรือถ้าเราไม่เคยเห็นมาก่อนสัญญาก็จะเพียงแต่รับรู้ว่าเป็นภาพเป็นรูปที่ไม่เคยเห็นมาก่อน mm. พอรับรูปเข้ามาแล้วสัญญาได้ทำการวิเคราะห์ว่าเป็นรูปอะไร ว่าดีหรือไม่ดีเป็นคุณหรือเป็นโทษอันนี้เป็นหน้าที่ของสัญญาพอสัญญารับมาวิเคราะห์เสร็จแล้วก็เกิดความรู้สึกขึ้นมาเรียกว่าเวทนาเวทนาคือความรู้สึกถ้าเป็นรูปที่เราวิเคราะห์แล้วว่าเป็นรูปที่ดีเคยให้ความสุขกับเราเคยให้เคยทำ ทำสิ่งที่ดีกับเราเธอให้ความสุขกับเราเราก็ก็จะเกิดเวทนาขึ้นมาเกยความสุขเวทนาขึ้นมาเกยความรู้สึกในความสุขขึ้นมาในใจความสุขนี้อยู่ในใจนะไม่ได้อยู่ที่ร่างกายร่างกายนี้ไม่มีความสุขความทุกข์แต่ใจนี้ผู้ที่ไปรับลูกเสียงกิรลดพุธภเข้ามาแล้วหลังจากที่ได้รับการวิเคราะห์ได้รับการ ตรวจสอบว่าเป็นรูปเสียงกิจรสแบบไหนแบบที่ดีแบบที่ไม่ดีแบบที่เป็นคุณแบบที่เป็นโทษแบบีก็จะเกิดความรู้สึกสุขทุกข์ขึ้นมาหรือไม่สุขไม่ทุกข์ขึ้นมาเมตนามีสามขึ้นอยู่กับรูปเสียงกิธธ่นรสผลพัฒนาที่ไปสัมผัสรับรู้ว่าเป็นรูปเสียงกิจรสแบบไหน ถ้าแบบที่มีคุณมีประโยชน์ก็เกิดสุขเวทนาขึ้นมาถ้าเป็นแบบที่มีโทษก็เกิดทุกขเวทนาขึ้นมาถ้าเป็นแบบไม่สุขไม่ไม่มีคุณไม่มีโทษก็จะเกิดความรู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์ขึ้นมาอย่างนี้คือสิ่งที่ร่างกายกับจิตใจทําหน้าที่ร่วมกันใจนี้ ต้องการมีร่างกายเพราะตนใจนี้มีความอยากที่จะได้สัมผัสกับกรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆถ้าไม่มีร่างกายใจก็จะไม่สามารถสัมผัสกับกรูปเสียงกลิ่นรสปุถะพระชานิดต่างๆได้ใจก็เลยเป็นผู้ที่มาหาร่างกายมาคอยรอจังหวะที่มีเวลาใครตั้งคันขึ้นมาเวลาที่มีการตั้งคันเมื่อไหร่ ใจก็จะมาส่งกระแสวิญญาณนี้มาเกาะที่ตาหูจมูกเลี้กายของร่างกายเ mm hmm. บื้องต้นก็อาจจะมาเกาะที่ร่างกายก่อนร่างกายที่กำลังก่อร่างสร้างตัวขึ้นมา mm hmm. เ, นเมื่อมีการผสมพันมีการก่อร่างสร้างตัวของร่างกายขึ้นมาแล้วก็มีวิญญาณคือมีใจส่งกระแสวิญญาณมา มาเสียบที่ร่างกายก็จะเกิดปฏิสนธิเรียกว่ามีการตั้งครรภ์แล้วหลังจากนั้นร่างกายก็จะค่อยเจริญเติบโตสร้างอวัยวะต่างๆขึ้นมาร่างกายนี้ก็มีอวัยวะสาสบสองอวัยวะด้วยกันโดยข้าวๆแล้วก็มีอายะตนะก็คือมีตาหูจมูกลิ้นกายที่ ที่กระแสของวิญญาณเข้ามาเสียบไว้วิญญาณมาเสียบที่ตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อที่จะได้รับลูกเสียงกลิ่นนสต่อไปเวลาที่ร่างกายทอดออกมาจากท้องแม่แล้วร่างกายก็จะเริ่มลืมตาขึ้นเมื่อมการลืมตาก็มีการรับลูกเข้ามาที่ตาเมื่อลูกเข้ามาที่ตาวิญญาณทางตาก็จะรับ รูปนี้เข้ามาที่ใจแล้วก็ให้สัญญาวิเคราะห์ดูว่าเป็นรูปอะไรแล้วก็เกิดเวทนาความรู้สึกขึ้นมาสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ขึ้นมาพอเกิดความสุขไม่สุขไม่ทุกข์ขึ้นมาแล้วสิ่งที่ตามมาต่อไปก็คือสังขารความคิดปรุงแตงใจก็จะเริ่มคิดแล้วว่ า, าถ้ามันสุขเราก็อยากจะได้มัน หรืออยากจะให้มันอยู่กับเราไปนานๆเช่นเห็นรูปที่เราชอบมีความสุขแล้วก็อยากจะดูไปเรื่อยๆอยากจะให้รูปนี้อยู่กับเราไปนานๆแต่ถ้าเจอรูปที่เราไม่ชอบเราก็อยากจะให้มันหายไปวิธีหายไปเราก็อาจจะสั่งให้ตาหันไปมองทางอื่นเห็นรูปนี้แล้วมีความไม่สบายใจก็บอกให้ สังขารนี่เป็นผู้สั่งสั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆสังขารก็สั่งให้ว่าให้ร่างกายไปทางอื่นดีกว่าอย่าไปเห็นรูปรูปเหล่านี้เลยเห็นแล้วมันมีความทุกข์ไปมองอย่างอื่นดีกว่าไปดูอย่างอื่นดีกว่าอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของสังขารซึ่งอยู่ในใจเนีย่ยในใจ มีความสามารถอยู่สี่ข้อด้วยกันอย่างที่เล่าให้มามีวิญญาณไว้สำหรับรูปเสียงกลิ่นรสมีสัญญาไว้เป็นผู้วิเคราะห์ว่าเป็นรูปเสียงกลิ่นรสแบบไหนแล้วก็มีเวทนาความรู้สึกที่เกิดจากการวิเคราะห์ไปแล้วว่าเป็นรูปเสียงกลิ่นรสที่เป็นคุณหรือเป็นโทษก็จะเกิดสุขไม่สุขขึ้นมา แล้วพอเกิดสุขไม่สุขขึ้นมาก็จะเกิดความคิดขึ้นมาว่าจะทำอย่างไรกับสิ่งที่เราไปสัมผัสรับรู้ถ้าสุขก็ควรที่จะไปเอามาครอบครองเพราะเราชอบของที่ทำให้เรามีความสุขถ้าทุกข์ก็เป็นสิ่งที่เราควรจะกําจัดเราไม่ควรที่จะมีเอาเก็บไว้อันนี้ก็คือเรื่องของการทำงานของฝาแฝด คือร่างกายกับใจร่างกายนี้ตามภาษาพระเราเรียกว่ารูปประขันส่วนเวทนาสัญญาสังขารวิญญานนี้เราเรียกว่านามะขันเมื่อร่างกายกับกับใจมารวมกันก็กลายเป็นขันห้าขึ้นมาร่างกายก็คือรูปประขันใจก็คือ เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้เราเรียกว่านามขันขันห้าก็ประกอบขึ้นด้วยนามขันสี่หน้ารูปประขันหนึ่งรวมกันเป็นขันห้าขันห้านี้ก็คือชีวิตของพวกเรานี่แต่พวกเรานี้จะมองเห็นเพียงขันเดียวคือเห็นรูปประขันเห็นร่างกาย เราจะไม่เห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเราก็เลยคิดว่ามันอยู่ในร่างกายเป็นส่วนประกอบของร่างกายไปด้วยคิดว่าเราเป็นคนคนเดียวไม่ใช่สองคนตามความเป็นจริงตามความเป็นจริงแล้วเรามีสองคนมีฝ่ายที่รู้สึกนึกคิดที่เรียกว่าจิตใจ แล้วมีฝ่ายที่ทาหน้าที่รับรูปเสียงกิจรนดผลธระที่เราเรียกว่าร่างกายนี่แหละคือชีวิตของพวกเราและความต้องการของร่างกายกับใจนี้ก็มีความต้องการต่างกันการที่เราจะทําให้ชีวิตของเรานี้มีความสุขปราศจากความทุกข์ทั้งทางร่างกายและทางจิตใจ เราก็ต้องมีปัจจัยหรือที่พึ่งของร่างกายและของใจให้ให้เหมาะสมกับความต้องการเช่นความต้องการของร่างกายนี้คืออะไรร่างกายจะอยู่อย่างสุขอย่างไม่ทุกข์ได้ด้วยอะไรร่างกายของเราอันนี้ก็อยู่อยู่อย่างสุขอยู่อย่างไม่ทุกข์ได้ด้วยปัจจัยสี่นั่นเองก็คือหนึ่งอาหาร เพิ่มนุ่งห่มที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคส่วนนี้พวกเราทุกคนนี้รู้จักกันดีเพราะเป็นส่วนที่เราสามารถมองเห็นได้และรู้ได้ว่าถ้าเกิดขาดปัดจจัยสี่อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเราเกิดขาดอาหารขึ้นมาเราก็จะรู้ว่าร่างกายเราจะต้องทุกข์กับความหิวโหย แล้วก็จะทุกขกับความเจ็บไข้ได้ป่วยต่อไปถ้าขาดอาหารมาคอยดูแลเช่นเดียวกับการถ้าขาดที่อยู่อาศัยเพราะร่างกายนี้ต้องมีที่ปลอดภัยถึงจะอยู่อย่างสุขอย่างไม่ทุกข์้ถ้าไม่มีที่หลบแดดหลบผลไม่มีที่หลบภัยต่างๆโอกาสที่ร่างกายจะเจ็บไข้ได้ป่วย เดือโอกาสที่ร่างกายจะถูกทาร้ายถูกทำทำอันตรายนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นได้ mm hmm. เราจรึงต้องมีที่อยู่อาศัยมีบ้านช่องกันที่ที่ปิดสนิทมิชิดปลอดภัยเวลาเราเข้าบ้านแล้วเราถึงจะนอนหลับได้เพราะเรารู้ว่าบ้านเราปลอดภัยทางเข้าออกเราปิดกั้นไว้หมดผู้ที่ต้องการจะเข้ามานี้ไม่สามารถเข้ามาได้ mm hmm. เราจำเป็นถึงร่างกายจึงจำเป็นจะต้องมีที่อาศัยแล้วก็ต้องมีเครื่องนุ่งห่มเพราะร่างกายนี้มีสิ่งที่จะมากระทบได้เช่นอากาศนี้ก็จะทำให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยได้ถ้าเป็นอากาศที่หนาวเย็นก็ต้องมีเสื้อผ้าไว้ใส่เพื่อให้ร่างกายมีความอบอุ่นแล้วก็ต้องมีการป้องกันภัยที่เกิดจาก สัตว์แมลงสัตว์กัดต่อยหรือของแหลมคมอะไรต่างๆที่อาจจะมากระทบกับร่างกายได้ๆๆาาก็จาเป็นที่จะต้องมีเสื้อผ้ามีรองเท้าอย่างนี้ไว้สวมใส่เพื่อรักษาร่างกายไม่ให้ถูกสิ่งที่เป็นอันตรายต่อร่างกายมาทำให้ร่างกายเจ็บปวดได้เจ็บไข้ได้ป่วยได้ แล้วถ้าเกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องมียามารักษากันมีโรงพยาบาลมีแพทย์มีพยาบาลมาช่วยดูแลเราเวลาเราไม่สบายเราก็ไปหาแพทย์แพทย์ก็วิเคราะห์ดูว่าเกิดจากอะไรถ้าวิเคราะห์แล้วถ้ารู้ว่าเป็นโรคอะไรรู้ว่ารักษาด้วยยาอะไรแพทย์ก็จะสั่งยามาให้ ถ้าต้องรักษาด้วยวิธีอื่นก็จะสั่งการไปเี่อาจจะต้องผ่าตัดอาจจะต้องฉายแสงหรือทำอะไรต่างๆแล้วแต่โรคที่เกิดขึ้นว่าจะต้องใช้วิธีรักษาอย่างไรนี่คือส่วนที่ร่างกายต้องการร่างกายต้องมีและพวกเราก็รู้กัน ชีวิตของเราทุกวันนี้ที่วุ่นกันอยู่ทุกวันนี้ก็ยุวุ่นอยู่กับการเลี้ยงดูร่างกายของเรานี่แหละตื่นเช้าออกมาก็ออกไปทำมาหากินกันหารายได้เพื่อที่จะได้มีรายได้นี้มาซื้อของจําเป็นซื้ออาหารซื้อเสื้อผ้าจ่ายค่าเช่าบ้านหรือจ่ายค่าผ่อนบ้านแล้วก็ซื้อประกันไว้สําหรับรักษาโรคภัยไข้เจ็บจ่ายค่าประกัน จ่ายค่าอยู่ค่ายาอะไรต่างๆมีรายจ่ายร่างกายของเรานี้มันเมื่อเกิดมาแล้วนี่มันจะต้องเลี้ยงดูมันอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการทำให้ชีวิตครึ่งหนึ่งของเราคือทางร่างกายนี้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุดได้แต่เรามีชีวิตอีกครึ่งหนึ่งที่เราไม่เคยรู้จักกันก็คือจิตใจเนื่องจากว่าจิตใจนี้ ไม่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนร่างกายจะพูดว่าเป็นมนุษย์ล่องหนก็ได้จิตใจเราเนี่ยและเป็นส่วนที่สําคัญด้วยเพราะเป็นส่วนที่เป็นส่วนที่สร้างเราขึ้นมาที่เราพูดถึงเราเราเนี่ไม่ใช่ร่างกายเนี่ยเวลาเราพูดถึงเราเนี่ความจริงเราพูดถึงใจที่เรามองไม่เห็นกัน แต่เราไปเหมาว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายต่แค่นั้นเองเลยเหมาว่าเราเป็นร่างกายแต่ตามหลักความเป็นจริงแล้วนี้ร่างกายไม่ได้เป็นเราเราเป็นใจเราเป็นผู้ที่มาเกาะติดกับร่างกายจีิแต่เราเป็นมนุษย์ล่องหนเราไม่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนร่างกายเพราะเราเกิดมาออกมาจากท้องแม่ลืมตาขึ้นมา เราก็เห็นร่างกายทันทีเราก็เลยไปคิดว่าเราเป็นร่างกายเ<ฟ>พราะเราไม่สามารถมองเห็นใจผู้รู้ผู้คิดนี้ได้อันนี้ต้องเป็นสิ่งที่เราจะต้องมาศึกษามาเรียนรู้เมื่อเราโตขึ้นอีกทีถึงจะรู้จักว่าจิตใจของเรานี้เป็นอีกส่วนหนึ่ง <S <S เป็นอีกคนหนึ่งที่มาเชื่อมติดกับร่างกาย <S <S <S <S และเป็นส่วนที่สาคัญ เป็นส่วนที่จะอยู่กับเราเป็นของเราไปตลอดไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนใจนี้ก็จะอยู่ที่นั่นเพราะใจนี้แหละเป็นผู้สร้างเราขึ้นมาสร้างด้วยความคิดสร้างด้วยความรู้สึกนึกคิดเรามีความรู้สึกนึกคิดว่ามีเราขึ้นมาเราก็เลยคิดว่าเราเป็นความรู้สึกนึกคิดนี้แต่ความจริงมันก็เป็นเพียงความรู้สึกนึกคิด แต่ตอนนี้ยังไม่ต้องเจาะลึกไปถึงขนาด น, นั้นตอนนี้เบื้องต้นนี้ขอให้เรามาเรียนรู้ว่าใจกับร่างกายนี้เป็นคนละคนกันแล้วก็ร่างกายนี้เป็นของชั่วคราวเพราะว่าร่างกายมีอายุไขร่างกายของคนทุกคนนี้มันมีเส้นทางเดินของมันคือเมื่อเกิดแล้วมันก็จะเจริญเติบโตขึ้นมา โตไปจนกระทั่งมันโตเต็มที่เมื่อมันโตเต็มที่แล้วมันก็จะเริ่มเสื่อมลงมันก็จะเริ่มแก่ลงแก่ลงไปทีละนิดเท่าหน่อยแล้วก็เริ่มมีโครคภัยไข้เจ็บอะไรต่างๆปรากฏขึ้นกับร่างกายแล้วเมื่อมีโรคที่ไม่สามารถรักษาได้โรคที่ไปทำลายอวัยวะการทำงานของร่างกายพอมันไปทำให้หัวใจหยุดเต้น ร่างกายก็สิ้นสุดลงร่างกายก็ตายไปแล้วพอร่างกายนี้ตายไปส่วนประกอบที่มารวมตัวทำให้มีร่างกายนี้ก็จะแยกทางกันสิ่งที่มารวมกันทำให้มีร่างกายมีอาการสาบสองนี้คืออะไรก็คือธาตุทั้งสี่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟนี่ ที่เป็นตัวที่มาสร้างอาการสามสิบสองมาสร้างผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกต่างๆให้ปรากฏให้ให้เจริญเติบโตขึ้นมาให้เป็นอย่างที่เราเป็นกันอยู่ทุกวันนี้เราต้องคอยมีธาตุทั้งสีเข้ามาคอยเติมอยู่เรื่อยๆเช่นอาหารที่เรารับประทานนี้ก็จะมีส่วนประกอบของธาตุน้ํากับธาตุดินเป็นส่วนใหญ่เช่นข้าวผักนี้ก็เป็น สิ่งที่ทํามาจากดินปลูกข้าวปลูกผักนี่ก็ปลูกในดินเป็นธาตุดินแล้วก็มาผสมกับธาตุน้ําเวลาเราทำกับข้าวเราก็ต้องใส่น้ําเข้าไปหุงข้าวกาต้องใส่น้ําเข้าไปมันก็จะเข้ามันก็จะมีธาตุดินกับธาตุน้ําเป็นส่วนใหญ่อาหารธาตุดินกับธาตุน้ํานี่จะเข้ามาทางอาหารส่วนธาตุลมนี้จะเข้ามาทางลมหายใจเข้าออกของเรา ตอนนี้เราหายใจเข้าหายใจออกนี้เราต้องการเติมลมเอาลมใหม่เข้าเอาลมเก่าออกเพราะว่าลมใหม่นี้จะมีสารที่จะช่วยไปเสริมอวัยวะต่างๆแต่แต่ลมเก่านี้เป็นลมเสียที่เราจะต้องขับถ่ายออกมาเวลาเราหายใจเข้านี่เราเอาลมดีเข้าไปตามภาษาวิทยาศาสตร์ก็เรียกว่าเอาออกซิเจนเข้าไป เวลาเราหายใจออกนี้เราก็จะเอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาคาร์บอนไดออกไซด์นี้เป็นอากาศที่เป็นพิษถ้าเราสูดแต่คาร์บอนไดออกไซด์นี้ร่างกายตายได้เช่นเวลาคนที่เขาฆ่าตัวตายเราจะนั่งอยู่ในรถแล้วก็เอาท่อท่อยางไปต่อกับท่อไอเสียท่อไอเสียของรถยนต์นี้ก็มีแต่คาร์บอนไดออกไซด์ พอ เ, เข้ามาในห้องในในห้องที่นั่งอยู่ในรถปิดประตูปิดหน้าต่างอากาศดีเข้าไม่ได้ก็มีแต่อากาศเสียเมื่อสูดอากาศเสียคือคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปก็ตายนี่คือธาตุสี่ที่เราเอามาเสริมมาสร้างร่างกายต่างๆของเราความร้อนนี่ก็คือได้จากแสงอาทิตย์นี่ ถ้าไม่มีแสงอาทิตย์มีไม่มีดวงอาทิตย์นี้โลกนี้จะกลายเป็นหิมะไปหมดจะกลายเป็นน้ําแข็งไปหมดแต่ที่ลที่ที่เราอยู่นี้ไม่เป็นหิมะไม่มีน้ําแข็งก็เพราะว่าเรามีพระอาทิตย์มาคอยละลายมันอยู่เรื่อยๆแต่ส่วนที่ไม่ไม่ได้รับแสงอาทิตย์เช่นทางขั้วโลกเหนือหรือขั้วโลกใต้เนี่ยตรงนั้นนะจะมีแต่มีแต่น้ําแข็งมีแต่ความเย็นขาดขาดธาตุไฟคือความร้อน แต่ที่เราอยู่กันเนี่ยมันมีแสงอาทิตย์คอ ย, คอยส่องอยู่ตลอดเวลาเลยทำให้อากาศไม่เย็นไม่ไปทาให้สิ่งต่างๆกายเป็นน้ำแข็งขึ้นมาอัานนี้คือท่าสี4ที่เราต้องมีกันตลอดเวลามีในปริมาณที่เหมาะสมเราจึงต้องคอยเอาเข้ามาอยู่เรื่อยๆคอยเติมของใหม่แล้วเอาของเก่าออกไปเพราะว่าของเก่านี้มัน มันทำหน้าที่ของมันเสร็จแล้วคือมันมาเสริมอวัยวะต่างๆแล้วมันก็เอารับส่วนที่เสียของร่างกายออกไปแล้วก็มีการขับถ่ายธาตุที่เสียออไปธาตุดินธาตุน้ำเราก็ขับถ่ายออกไปธาตุลมเราก็ขับถ่ายออกไปอันนี้คือการทำงานของร่างกายที่จะทำตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่มีการตั้งครรภ์ อยู่ในท้องแม่ก็เริ่มมีการก่อร่างสร้างตัวโดยอาศัยธาตุของของแม่เป็นผู้ป้อนให้แม่เป็นผู้ป้อนอาหารป้อนธาตุดินน้ำลมไฟให้กับร่างกายร่างกายก็ค่อยจเจริญเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆจนจเจริญเติบโตเต็มที่อยู่ในครรภ์ไม่ได้ก็ต้องคลอดออกมาแล้คลอดออกมาก็มีการเติมต่อเติมเติมธาตุต่อออกมาก็เริ่ม ดื่มน้ำนมน้ำนมก็มีทั้งมีทั้งน้ำมีทั้งธาตุดินสารต่างๆที่อยู่ในนมก็เป็นธาตุดินแล้วก็มีลมหายใจต้องหายใจเองตอนที่อยู่ในท้องแม่นี่อาศัยลมของแม่ของแม่ป้อนให้แต่พ อ, อ, อมาจากท้องแม่แล้วต้องหาเองต้องหาลมเองหาน้ำเองต้องดื่มเองต้องรับประทานเองแล้วพอร่างกายได้รับการเสริมด้วยธาตุสี่อย่างต่อเนื่อง ร่างกายก็ค่อยเจริญเติบโตขึ้นมาจากทารกก็ขึ้นมาเป็นเด็กเล็กจากเด็กเล็กก็เป็นเด็กโตจากเด็กโตก็เป็นผู้ใหญ่ก็เจริญเติบโตไปตามตามธรรมชาติของร่างกายแต่การเจริญเติบโตของร่างกายมันก็มีขีดสูงสุดของมันขีดจำมันเจริญเติบโตได้เต็มที่ในจุดหนึ่งซึ่งก็อยู่ประมาณกลางคนอายุกลางคนก็เกือบสี่สิบขึ้นไปนี่ ก็ถือว่าร่างกายนี้จเจริญเต็มที่แล้วไม่สามารถที่จ ะ, จะเจริญไปมากกว่า น, นี้ได้แล้วเพราะหลังจากนั้นมันก็จะเริ่มนับถอยหลังลงร่างกายมันก็จะเริ่มเสื่อมลงไปทีละเล็กเทาน้อยเริ่มรู้สึกว่าการทำงานของร่างกายนี้มันไม่ค่อยกระปี้กระเป๋าไม่ค่อยมีกำลังวังชาเหมือนตอนที่เป็นหนุ่มเป็นสาวกันนั่นก็เพราะว่าการทางานของอวัยวะต่างๆของร่างกายนี้ มันค่อยๆเสื่อมสมรรถภาพลงไปน่างกายก็เริ่มเข้าสู่วัยชราไปทีละเล็กทีละน้อยแล้วอวัยวะต่างๆที่ทํางานได้สมบูรณ์ก็เริ่มมีการบกพร่องมีการทํางานไม่เต็มที่เมื่อทํางานไม่เต็มที่ก็เลยทําให้เกิดอาการของโครคภัยไข้เจ็บต่างๆขึ้นมาเจ็บที่ปอดบ้างเจ็บที่หัวใจบ้างเจ็บที่ นำไส้เจ็บที่ตับที่ไตอะไรต่างๆอันนี้มันเป็นการบ่งบอกถึงความเสื่อมของร่างกายที่เป็นธรรมชาติของร่างกายที่ไม่มีใครไปไปยับยั้งมันได้มีการพยายามศึกษาหาวิธีที่จะทำให้ร่างกายนี้อยู่ไปตลอดแต่ก็ไม่มีใครสามารถทำได้สาเร็จอยู่ได้อย่างมากก็ไม่เกินร้อยปีเป็นส่วนใหญ่ แล้วก็ต้องตายไปในที่สุดทุกคนเพราะนี่คือธรรมชาติของร่างกายนี่คือสิ่งที่เราต้องศึกษาต้องทำความเข้าใจถ้าเราอยากที่จะทำให้อีกส่วนหนึ่งของเราคือจิตใจของเรานี้มีความสุขไม่มีความทุกข์เพราะว่าส่วนของเราส่วนจิตใจของเรานี้สิ่งที่จิตใจเราต้องการนี้ มันไม่เหมือนกับสิ่งที่ร่างกายของเราต้องการสิ่งที่ร่างกายของเราต้องการก็อย่างที่ได้พูดไว้ต้องการมีปัจจัยสี่มีอาหารมีเครื่องนุ่งหม่มมีที่อยู่อาศัยมีา ย, า, ยารกักษาโรคแล้วร่างกายของเราก็จะอยู่สุขสบายแล้วก็ถ้าจะเจ็บจะไข้จะปวดมันก็เป็นไปตามสภาพของมันไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องเป็นไป อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทำได้ในระดับหนึ่งคือส่วนของร่างกายเรามีหน้าที่เลี้ยงดูร่างกายด้วยปัจจัยสีเราก็เลี้ยงดูไปเลี้ยงให้ให้ร่างกายของเรานี้อยู่ไปตามอัตภาพของมันคอยดูแลรักษามันด้วยวิธีการต่างๆออกกำลังกายอะไรอยู่ในที่สะอาดอากาศสะอาดสถานที่สะอาดปราศจาก ควันพิษปัสจากโรคภัยอะไรต่างๆอันนี้ก็เป็นการเรื่องของการดูแลร่างกายที่ไม่เที่ยงเราต้องรู้ว่าร่างกายของเราต่อให้เราดูแลรักษาให้มันดีอย่างไรมันก็มีจุดสิ้นสุดลงไม่ช้าก็เร็วถ้าสิ้นสุดโดยธรรมชาติโดยธรรมชาติก็อาจจะอยู่ได้ถึงร้อยปีแต่บางครั้งมันก็มีเรื่องอย่างอื่นมาทำให้มันสิ้นสุดได้ อาจจะมีอุบัติเหตุอุบัติภัยต่างๆปรากฏขึ้นมามันก็จะทำให้ร่างกายนี้ในที่สุดก็ต้องถึงจุดจบของมันไปพอจบแล้วธาตุทั้งสี่ที่มาล ร, รวมตัวกันนี้ก็จะแยกออกจากกันไปร่างกายที่เรารู้จักกันในที่สุดก็จะหายไ ป, เ, ปเหมือนกับน้าแข็งก้อนน้าแข็งที่ละลายไปเมื่อถูกสะ เมื่อถูกความร้อนเวลาเป็นก้อนน้ำแข็งแล้วก็เป็นเหมือนมีรูปมีร่างแต่พอมันละลายไปมันก็กลายเป็นน้ำไปร่างกายเราก็เหมือนกันพอร่างกายเราละลายไปก็กลายเป็นดินน้ำลมไฟไปฉะนั้นร่างกายนี้จึงบอกว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่มีตัวตนเราต้องเข้าใจคำนี้ร่างกายนี้ไม่มีตัวตนความรู้สึกคิดที่ว่าร่างกายนี้เป็นตัวเรานี้เป็นเพียงความรู้สึก ที่ออกมาจากใจซึ่งไม่ได้ไม่ได้เป็นร่างกายใจนี้เป็นอีกคนหนึ่งที่มามาเกาะติดกับร่างกายผ่านทางวิญญาณทั้งห้ามีวิญญาณทั้งห้ามันึงทำให้เราเรับรู้เสียงกลินรสรับความรู้สึกของร่างกายได้มันก็เลยทำให้เราคิดว่าเราเป็นร่างกายไปนี่คือสิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจทำความรู้จักว่า ร่างกายกับเรานี้เป็นคนละคนกันร่างกายนี้เป็นเหมือนคนรับใช้เราเรานี้เป็นคนสั่งให้ร่างกายทําอะไรต่างๆเช่นวันนี้เราจะมาวันเราก็ต้องสั่งร่างกายเราคิดก่อนสั่งด้วยความคิดคิดว่าวันนี้เป็นวั น, ว, นวันหยุดมีเวลาว่างไปวัดไปไปฟังเทศฟังธรรมกันดีกว่า พ อ, อถึงเวลาก็สั่งให้ร่างกายออกเดินทางมาถ้าเราไม่คิดนะไม่สั่งร่างกายมันจะไม่มาถึงที่นี่ได้ร่างกายนี้มันรอคำสั่งเราทุกเวลาไม่ว่าเราจะอยากให้มันทำอะไรนี้เราต้องเป็นคนสั่งมันมันถึงจะทำได้อยู่ดีๆมันไม่ทำเองนอกจากทำหน้าที่การการดำรงชีพฉะนั้นที่ร่างกายมันทำโดยอัตโนมัติ เส้นร่างกายมันจะหายใจเองมันจะหัวใจเต้นเองอะไรพันนองนี้อันนี้เราไม่ต้องไปสั่งมันมันเป็นระบบของร่างกายแต่การเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายหรือการพูดต่างๆนี้เรานี่แหละเป็นผู้สั่งมันเรานี่แหละเป็นผู้กระทําเรามาวัดนี้เราใช้ร่างกายพาเรามาเราพูดกับคนนั้นคนนี้เราก็เป็นคนสั่งให้ร่างกายพูด ร่างกายมันอยู่เฉยๆมันพูดของมันเองไม่ได้ถ้าไม่มีใจเป็นผู้สัง่งท่านถึงพูดว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวใจกับร่างกายนี้เป็นเหมือนกับเป็นพันธมิตรกันมาร่วมทำภารกิจที่ใจอยากจะให้ทำเพราะใจนี้มีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งก็คือใจนี้ไม่มีความสุขในตัวของมันเอง ใจนี้มันคิดต้องอาศัยการมีร่างกายเพื่อใช้เป็นเครื่องมือหาความสุขใจชอบอะไรก็ใจชอบรูปเสียงกลิ่นรสผดภะพาชนิด ต, ต่างๆนี่ใจอยากดูอยากฟังอยากลิ้มรสอยากดมกลิ่นอยากจะสัมผัสกับสิ่งต่างๆผ่านทางร่างกายใจก็เลยต้องมามีร่างกายมา เป็นเหมือนเป็นพันธมิตรกันมาร่วมทํากิจกรรมร่างกายนี้เป็นเพียงเหมือนเครื่องตอบสนองความต้องการของร่างของใจเทนั้นเองใจอยากจะดูร่างกายก็สั่งให้ร่างกายไปหารูปมาดูหาเสียงมาดูหาเสียงมาฟังกระาษใจได้เสกเลือกเสียงกิน่นที่ใจอยากดูอยากฟังใจก็ปล่อยความสุขขึ้นมาแต่เป็นความสุขชั่วคราว ชัวขณะที่สัมผัสตอนที่ได้ดูได้ฟังก็มีความสุขแต่พอผ่านไปแล้วความสุขที่ได้ดูได้ฟังก็หายไป mm hmm. ก็ปล่อยให้ใจนี้รู้สึกอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวดายอยู่ต่อไป mm hmm. จึงทําให้ใจนี้ต้องคอยสั่งให้ร่างกายพาไปหาลูกเสียงกิ่นลดอยู่เรื่อยๆ mm hmm. แล้วก็ถ้าสามารถ ทำได้มันก็ไม่มีปัญหาอะไรเวลาเราอยากดูอยากฟังอะไรอยากกินอยากดื่มอะไรพอเราได้ดูได้ฟังได้กินได้ดืม่มเราก็มีความสุขปัญหามันจะเกิดตอนที่ว่าเวลาที่เราอยากดูอยากฟังอยากกินอยากดืม่มเราเราไม่ได้ดูไม่ได้ฟังไม่ได้กินไม่ได้ดืม่มตอนนั้นใจเรารู้สึกยังไง<อ>ใจเราจะรู้สึกเศร้ารู้สึกเศร้าซ้อย ห, หองหหอยเงารู้สึกหงุดหงิด อยากจะทำอะไรแล้วไม่ได้ทำนี่มันรู้สึกหงุดหงิดอยากจะดูแล้วไม่ได้ดูนี่มันรู้สึกไม่สบายใจอันนี้แหละคือปัญหาของใจที่พวกเราไม่รู้จักวิธีแก้ที่ถูกต้องกันถ้าเรารู้จักวิธีแก้ที่ถูกต้องแล้วเนี่ยใจของเรานี้ก็จะไม่มีความรู้สึกหงุดหงิดลำคาญใจไม่มีความรู้สึกทุกข์กับอะไรแต่ตอนนี้เราไม่รู้จักกัน เราคิดว่าเวลาที่เราเกิดอาการหงดเหงดเกิดอาการรู้สึกไม่สบายใจเพราะเราอยากจะไปดูอยากจะไปฟังอยากจะไปกินอยากจะไปดื่มอยากจะไปทำอะไรนั่นเองที่ทำให้เรารู้สึกอยู่เฉยๆไม่ได้อยู่บ้านไม่ได้เราก็เลยต้องบังคับสั่งให้ร่างกายพาเราไปหาสิ่งที่เราต้องการ ตอนที่เราหาได้มันก็ระบายความหงุดหงิดระงับความหงุดหงิดความไม่สบายใจได้ชั่วคราวเราก็เกิดความสุขใจอิ่มใจสบายใจขึ้นมาได้ชั่วคราวแต่มันเป็นความสุขชั่วคราวเดี๋ยวมันก็จางหายไปพอมันหมดไปมันก็ทำให้เราเกิดความรู้สึกหงุดหงิดขึ้นมาใหม่อยากจะไปดูไปฟังไปกินไปดื่มอยากจะไปทาอะไรห อันนี้แหละคือเรื่องของใจที่ไม่มีความสุขคือไม่มีความอิ่มความพอความสุขที่ได้นี้ไม่ให้ความอิ่มความพอแต่กลับให้ความหิวความอยากเพิ่มขึ้นไปอีกไปกินไปเดิมไปดูไปฟังอะไรก็จ่อยความสุขเดียวๆแล้วพอเวลาระยะเวลาผ่านไประยะหนึ่งความสุขนั้นก็หายไป พอความสุขนั้นหายไปก็เกิดความอยากที่อยากจะได้ความสุขอีกเกิดความหิวขึ้นมาอีกก็ต้องไปหาอีกถ้าจับได้เรายังหาได้ตามความอยากของเราก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ปัญหามันจะเกิดต่อเมื่อเราไม่สามารถไปหาสิ่งที่เราอยากได้อยากดูอยากฟังอยากกินอยากดื่นได้น่าจะต้องเกิดขึ้นกับทุกคนเพราะอะไร เพราะสิ่งที่เราใช้เป็นเครื่องมือนี้มันบางทีมันไม่สามารถทําตามความต้องการของเราได้เช่นร่างกายของเรานี้มันจะไม่แข็งแรงไปตลอดหูตาจะหมุนลิ้นกายมันจะไม่สมบูรณ์ไปตลอดมันอาจจะเกิดมีปัญหาขึ้นมาทางใดทางหนึ่งทางร่างกายก็ได้ร่างกายอาช่วงเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเน้เราก็เห็นโทษของมันนะว่า เราไม่สามารถไปทำอะไรได้ตอนที่ร่างกายเจ็บไข้ได้ปวดตอนนั้นการที่เราจะได้มีความสุขจากการไปดูไปฟังไปกินไปดื่มมันก็ต้องถูกถูกระงับไปเมื่อมันไม่มีความสุขมันก็มีแต่ความทุกข์ขึ้นมานั่นเองถ้ามันถ้ามันเป็นนานๆเป็นบ่อยๆเข้ามันก็จะเกิดอาการซึมเศร้าขึ้นมาเกิดอาการรู้สึกเบื่อชีวิตขึ้นมาได้ คนบางคนเมื่อเกิดปัญหาไม่สามารถทาตามความอยากต่างๆได้ก็จะเกิดความซึมเศร้าเกิดอาการเบื่อชีวิตและบางครั้งก็อาจจะคิดฆ่าตัวตายกันอันนี้ก็เป็นปัญหาของใจที่เราต้องมาศึกษาวิธีแก้ให้ได้เพราะว่าในอนาคตเนี่ยเราจะไม่สามารถทำตามความอยากของเราได้ไปตลอด จะต้องมีอุปสรรคทางใดทางหนึ่งถ้าไม่ใช่ทางตาหูจมูกนิ้วการมันก็ไปทางเครื่องไม้เครื่องมืออย่างอื่นเช่นการที่เราจะไปดูไปฟังไปกินไปดื่มเราก็ต้องมีเงินทองกันถ้าเกิดเราเงินทองขาดมือไม่มีเงินใช้เงินทองไม่พอใช้เราก็จะไปซื้อของนีมากินมาดื่มมาดูมาฟังไม่ได้ตอนนั้นก็เหมือนกับเวลาที่ร่างกายเราเจ็บไข้ได้ปวเลย ไม่สามารถไปทำอะไรได้เวลานั้นก็จะทำให้ใจเราเครียดขึ้นมาใจเราทุกข์ขึ้นมาแล้วมันก็ จ, จะทำให้ใจเหล่านี้ต้องถูกกดดันให้เราต้องไปหาเงินหาทองมาต้องทำงานมากขึ้นต้องทำอะไรมากขึ้นและบางครั้งบางคราวก็ จ, จะทำให้เราต้องไปทำบาปกันก็ได้เพราะว่าถ้าเราไม่สามารถที่จะหาเงินหาทองโดยวิธีสุดจริญได้ แต่ความต้องการที่จะต้องทําตอบสนองความอยากความต้องการของเราทําให้เราต้องมีเงินบางคนก็เลือกวิธีด้วยการไปป้นไปจี้ไปลักขโมยไปช่อโกงไปหลอกลวงทุกวันนี้เรามีข่าวข่าวเหล่านี้เกิดขึ้นอยู่ประจำ น, นี่ก็เป็นเพราะว่าคนพวกนี้เขาไม่สามารถที่จะหาเงินแบบซื่อสัตย์สุจริตถูกกฎหมายถูกศีลธรรมได้ เขาต้องการหาเร็วๆหามากๆแล้วพอก็เห็นช่องทางว่ามีช่องทางวิธีหาด้วยการหลอกลวงต้มตุนพูดก็เลยไปกระทาบาปต่างๆแล้วแทนที่จะทําให้เกิดความทุกข์น้อยลงทําให้เกิดความสุขมากขึ้นกลับเป็นกลับกันกลับจะทําให้เกิดความทุกข์มากขึ้นเมื่อ ทำบาปแล้วทำผิดกฎหมายแล้วไม่ช้าก็เร็วผลของการทาผิดมันก็จะมีผลตามมาอาจจะถูกจับติดคุกติดตารางถ้าไม่ติดคุกติดตารางก็ต้องอาจจะหลบซ่อนหนีไปอยู่ไม่เป็นอิสระภาพอยู่แบบหลบหบซ่อนๆนอันนี้เป็นโทษที่เกิดขึ้นทางร่างกายทางขณะที่มีร่างกายอยู่ แต่อีกส่วนหนึ่งโทษอีกส่วนหนึ่งนี้มันไม่หมดโทษที่มันจะติดไปกับใจ<ม>เพราะใจนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกาย<ม>ใจเป็นสิ่งที่ไม่มีวันตายเมืม่อร่างกายตายความสัมพันธ์ความเป็นพันธมิตรระหว่างใจกับร่างกายก็สิ้นสุดลง<ม>ใจก็ร่างกายก็กลับคืนสู่ดินน้ำลมไส่ใจใจก็ไปต่อแต่จะไป ถ้ามีโทษติดตัวไปก็จะไปแบบทุกข์ทรมานใจที่ใจที่ไม่มีร่างกายนี้เราเรียกว่าดวงวิญญาณแล้วดวงวิญญาณของผู้ที่ทําบาปทํากรรมนี้ก็จะเป็นดวงวิญญาณที่พุ่มหอด้วยความทุกข์เราก็เรียกว่าเป็ น, เ ป, นเป็นเปรตบ้างเป็นนสุลกายบ้างเป็นนรกบ้างนี่คือดวงวิญญาณของผู้ที่กระทาบาปในขณะที่มีชีวิตอยู่ เพราะว่ามีความต้องการแล้วไม่สามารถหาสิ่งที่ตนเองต้องการได้โดยวิธีที่ถูกต้องไม่ไปสร้างความเสียหายหเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นก็เลยไปทําบาปกันเพื่อที่จะได้สิ่งที่ตนเองต้องการอันนี้แทนที่จะเป็นการหาความสุขให้กับใจกับการเป็นการหาความทุกข์ให้กับใจเพราะว่าไม่มีใครรู้วิธีที่ถูกต้อง จะรู้จักวิธีที่ถูกต้องได้ก็ต้องมาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นผู้ที่ได้ศึกษาได้ค้นคว้าวิธีการสร้างความสุขให้กับใจวิธีป้องกันไม่ให้เกิดความทุกข์กับใจวิธีที่พระเจ้าได้ส่งคนพบนี้ก็มีอยู่สาสามวิธีใหญ่ๆด้วยกันวิธีที่จะทำให้ไม่เกิดความทุกข์กับใจ ก็คือไม่ให้ทำบาปทั้งปวงอย่าไปทำบาปอย่าไปฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดประเพณีพูดปดและเสพสุรายาเมาซึ่งเป็นอบายามุกนอกจากสุราแล้วก็ไม่ให้เสพไม่ให้เล่นการพนันไม่ให้เที่ยวเตะไม่ให้มีความเกลียดค้านไม่ให้คบคนที่ชอบอบายามุกเป็นนิพเพราะอบายามุกนี้แหละที่จะเป็นเหตุที่จะให้ไปทำบาปได้ง่าย อบายามุกนี้มีแต่รายจ่ายไม่มีรายรับถ้าไปเสพอบายามุกอยู่เรื่อยๆไม่ช้าก็เร็วเงินทองก็จะไม่พอใช้พอเงินทองไม่พอใช้ก็ต้องไปหาเงินทองมาโดวยวิธีที่ชอบไปชอบโกงไปลักทรัพย์ไปหลอกลวงไปป้นไปจี้หรืออาจจะถึงกับการไปฆ่า ก, กันก็ได้ก็เลยไปสร้างบาปสร้างความทุกข์ให้กับใจขึ้นมาถ้าไม่อยากจะมีความทุกข์ทางใจพจระพุทธเจ้าบอกว่า ให้ละ ก, การกระทำบาปทั้งปวงให้ได้อย่าทำบาปรักษาศีลห้าให้ได้อย่าดื่มสุรา่ายาเมาอย่าไปเสพอบายมุขต่างๆอย่าไปเล่นการพนันอย่าไปเที่ยวเตะอย่าไปมีความเกลียดชังให้มีความขยันทำมาหากินหาเงิ น, ห า, งนหาทองเป็น ต, ต้นอันนี้ก็จะเป็นวิธีหนึ่งที่จะทำให้เรา ไม่สร้างความทุกข์ให้กับใจของเราถ้าใจของเรายังไม่มีความสุขถึงแม้ว่าจะไม่มีความทุกข์จากการไม่กระทำบาปพระพเจ้าก็บอกว่าให้เราสร้างความสุขด้วยการทำความดีต่างๆการทำบุญทำทานทำความดีต่างๆนี้เป็นวิธีที่จะทำให้ใจเรามีความสุข เ, เวลาที่เราเห็นใครเขาทุกข์ยากเดือดร้อน แล้วเราพอที่จะมีอะไรช่วยเหลือเขาได้แบ่งปันให้กับเขาไปได้เวลาที <tapping. S 1> sí, sí. ่เราเห็นเขามีความสุขจากการช่วยเหลือของเรามันก็จะทำให้เราเกิดมีความสุขใจอิ่มใจขึ้นมามีคือวิธีสร้างความสุขที่ใจให้ส้างความสุขด้วยการทำความดีด้วยการเสียสละแบ่งปันทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองถ้าเรามีพอที่จะแบ่งปันได้ก็แบ่งไป ถ้าไม่มีแล้วก็ช่วยด้วยวิธีอื่นก็ได้ช่วยได้กําลังกายเรามีร่างกายมีเวลาว่างเราก็ไปทำคุณทําประโยชน์เป็นอาสาสมัครทํางานอะไรโดยที่ไม่คิดค่าตอบแทนก็ได้อันนี้ก็จะทําให้เราเกิดความรู้สึกมีความสุขใจอิ่มใจขึ้นอย่าไปหาความสุข ด, ด้วยวิธีที่จะทําให้เกิดปัญหาก็คือหาความสุขจากลูกเสียงกลิ่นรดอย่างที่ได้แสดงไว้เบื้องต้น อย่าแส้ความสุขจากลูกเสียงอย่าไปดูอย่าไปอยากดูอยากฟังอยากกินอยากลุกออยากเที่ยวเพราะมันจะมีปัญหาตามมาต่อไปเวลาที่ไปไม่ได้ไปตามตามความอยากไม่ได้แต่การทําความดีนี้ไม่มีกัดพิษกัดภัยถ้าถึงเวลาที่เราไม่สามารถทําความดีได้เราจะไม่รู้สึกหมุดจิตไม่รู้สึกราคาญใจไม่รู้สึกมีความรู้สึกไม่สบายใจแต่อย่างใด อันนี้ถ้าอยากจะมีความสุขจากการกระทําขอให้เกิจากการทําความดีต่างๆด้วยความช่วยเหลือผู้อื่นก็ดีให้ความสุขกับผู้อื่นก็ดีด้วยการแบ่งปันสิ่งของที่เรามีอยู่ที่เรามีมากกว่าที่เราจะเก็บเอาไว้ใช้ได้ก็เอาไปแบ่งให้กับผู้อื่นเขาเห็นเขาเดือดร้อนเขาออยากเขาได้สิ่งที่เราให้เขาไปแล้วเราก็สกดความสุขใจใจขึ้มนมา อันนี้คือข้อที่สองของการที่จะสร้างความสุขให้กับใจก็คือการทําความดีต่างๆสร้างบุญสร้างกุศลคณิตต่างๆข้อที่สามที่เราจะทําให้ใจเรามีความสุขและดับความทุกข์ได้ก็คือการชําระใจของเราให้สะอาดใจของเรานี่ที่มีทุกขันนี้ไม่ใช่ทุกจากอะไรหรอกทุกจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองต่างๆ กิเลสก็คือความโลภความโกรธความหลงนี่เองสังเกตดูเวลาเราเกิดความโลภเกิดความโกรธเกิดความหลงนี้ใจเราจะวุ่นวายใจเราจะไม่สงบใจเราจะทุกข์เวลาโลภอยากจะได้อะไรนี่มันกินไม่ได้นอนไม่หลับต้องเกงอยู่นั่นเลงอยู่นั่นว่าจะได้หรือไม่ได้แล้วเวลาถ้าไม่ได้บางทีก็เกิดความโกรธขึ้นมาเพราะว่า เราอยากได้แล้วเราไม่ได้คนอื่นเข้าได้ไปแล้วก็จะไปโกรธคนที่เข้าได้ขึ้นมาก็ได้ <S <S หรือเราอยากจะให้ใครเ็าทำอะไรให้เราแล้วเขาไม่ทำให้เราเราก็เกิดความโกรธขึ้นมาได้พอ เ, เกิดความโกรธก็เกิดความทุกข์ใจใจเวลาโกรธนี้กินไม่ได้นอนไม่หลับเช่นเดียวกับความโลภความหลงก็เช่นเดียวกันความหลงก็คือความอยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นไปตามความต้องการของเรา แต่บางทีสิ่งเหล่านั้นเขาไม่สามารถมาเป็นไปลาตามความต้องการของเราได้พราะเราไม่มองความเป็นจริงเป็นร่างกายของเรานี่ยเราอยากจะให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี่มันเป็นไปไม่ได้แต่เราก็อยากอยู่ดีอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพอเกิดความอยากเหล่านี้ขึ้นมาใจก็วุ่นวายใจขึ้นมาใจก็ไม่สบายแต่ถ้าเรายอมรับความจริงว่าร่างกายของเรามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอย่าไปอยากอย่าไปฝืนความจริง ใจเราก็จะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บของร่างกายนี่คือวิธีการที่จะทำให้ใจเราไม่ทุกข์ใจเรามีความสุขคือเราต้องเข้าใจสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่และสิ่งที่เราต้องการว่าบางสิ่งบางอย่างเราก็สามารถที่เอาได้บางสิ่งบางอย่างก็เอาไม่ได้ทำไม่ได้ดันั้นสิ่งไหนที่เราทำไม่ได้เอาไม่ได้เราก็ต้องหยุดความอยากนั้นไปอย่าไปอยาก ถ้าอยากแล้วมันจะทุกข์จะเครียดขึ้นมา้ะให้รู้ว่าไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่เราได้มานี้ไม่ช้าก็เร็วเราก็ต้องเสียมันไปอยู่ดีเพราะว่าเมื่อร่างกายของเราตายไปเราก็เอาอะไรติดตัวไปกับเราไม่ได้เลยนี่ต้องเห็นความจริงอันนี้ว่าเราเกิดมาแล้วมาตัวเปล่าเปล่าเราเดี๋ยวเวลาตายไปก็ไปตัวเปล่าเปล่าเราไม่เอาอะไรไปกับเราเลย เพราะฉะนั้นอย่าไปโลภอยากได้อะไรไม่ได้ก็ไม่เป็นไร <c oughs> อยู่ได้อยู่แบบไม่อยู่แบบไม่มีอะไรก็ได้ <c oughs> วิธีที่จะทําให้เราอยู่แบบไม่มีอะไรก็ได้ก็คือเราต้องไปฝึกสมาธิกันไปหันนั่งสมาธิไปเดินจงกรมจเจริญสติถ้ามีสติแล้วเราก็จะนั่งสมาธิได้นั่งสมาธิทาใจให้สงบพอใจสงบใจของเราก็มีความสุขขึ้นมาความอยากต่างๆก็จะหายไปเชื่อกาว อันนี้แหละเป็นวิธีการของการที่จะทำให้ใจของเรามีความสุขใจของเราปราศจากความทุกข์ก็คือนี่ละหนึ่งให้เราอย่ากระทําบาปเพื่อป้องกันความทุกข์ไม่ให้เกิดขึ้นสองให้เราทำความดีเพื่อใหเกิดความสุขใจอิ่มใจข้อที่สามให้เรากาจัดความโลกความกวดความหลงที่เป็นตัวมาสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจต่างๆให้กับเรา แล้วใจของเราก็จะมีแต่ความสุขส่วนน่่งกายของเราเราก็ดูแลไปตามอัตภาพหาปัจจัยสี่มาดูแลไปมีอาหารให้มันกินมีเครื่องนุ่งห่มให้มันใช้ให้มันนุ่งห่มมีที่อยู่อาศัยมียารักษาโรคแต่เราก็ต้องรู้ว่ามันก็เป็นของชั่วคราวร่างกาย่อให้เรามีมากมีน้อยอย่างไรมันก็ไม่สามารถทำให้ร่างกายของเราไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไปได้เราก็ต้องยอมรับความเป็นจริงอันนี้ แล้วใจของเราก็จะได้ไม่ทุกข์กับความเป็นความตายของร่างกายใจของเราก็จะอยู่อย่างมีความสุขไปตลอดนี่คือเรื่องสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ชาวพุทธเรามาศึกษาําทําความเข้าใจกันให้รู้จักชีวิตของเราว่าประกอบด้วยอะไรประกอบด้วยร่างกายและจิตใจและวิธีที่จะทําทให้ร่างกายและจิตใจมีความสุขทาอย่างไรถ้านํำมาไปปฏิบัติได้ ชีวิตของเราก็จะมีแต่ความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจนี่คือเรื่องราวที่นำมาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะถาวาเวาหาปุราภริปุเรนติสากลังเอวเมวะอิตุทินังเปตานางอุปกัปติ ยึดต่างปฏิทีต่างสุหังคิปเป็นวัชมิชาตุสพเภตุเลหตุสังกปาจันโทปนาระโสยถานิโชติระโสยถาสะพีติโยวิวัจฉันตุสะพารุโควินาศตุ มาเตภาวะตวันตาาโยสุขีทีพายุโกภาวะอภิวาธนศีลิษฐานิจังวุธาปจายโนจตาโรธมรมวาทานเตอายุวันโนสุขังพละ ลำดับต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยวันนี้จะถามผ่านทางเพจก็ได้ทาง y o u t u ู e ก็ได้หรือถ้าจะเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่กรรมนมัศการพระอาจารย์เจ้าค่ะ วันนี้ทางเฟ e บุ๊ k มีผู้รับชม494ท่าน Youtube 289ท่านทางดอเตอร์วีชาแนล104ท่านวิดีโอออนไลน์6ท่านครับเฮา8ท่านผู้รับฟังหน้ากูติ145ท่านรวมทั้งหมดเป็น 1,046 ท่านเจ้าค่ะ okay. ยูาาทูเจาตอบหมดเลยกั Would you like to ask any question? Sir, would you like to ask any questions? Okay. งั้นถามได้เลยนะอาจารย์ไหมมีคำถามจากผู้รับฟังหน้ากุฏิค่ะ บางครั้งโยมก็ละความอยากได้เร็วบางครั้งก็ละไม่ได้ค่ะบางครั้งโยมก็ละสิ่งกระทบได้เร็วบางครั้งก็ใช้เวลาเป็นชั่วโมงบางครั้งกว่าจะละได้ก็ใช้เวลาข้ามวันค่ะโยมควรทำอย่างไรถึงจะละสิ่งกระทบได้เร็วเจ้าค่ะก็ของบางอย่างมันมันมีกำลังมากกำลังน้อยไม่เท่ากันของบางอย่างเราก็อยากมาก อยากมากก็ละได้ยากอยากน้อยเราก็ละได้ง่ายเหตุที่เราอยากมากก็เพราะเรารักมันมากชอบมันมากเหตุที่เราอยากน้อยก็เพราะว่าเรารักมันน้อยงั้นพยายามมองสิ่งที่เรารักมากๆให้มันเห็นว่ามันไม่น่าอยากไม่น่ารักเป็น ม, มองมองมุมกับทุกสิ่งทุกอย่างมันมีมุมกับให้มองของทุกอย่างมันไม่เที่ยวมันเปลี่ยนได้ อยากดีกลายเป็นไม่ดีได้ของทุกอย่างกลายเป็นขยะหมดนะของที่เราไปซื้อกันในร้านนี่พอเอามาอยู่ที่บ้านถ้าพลาก็ออกไปทิ้งกันหมดแนละ้วมองสิ่งต่างๆให้เป็นขยะถ้าเห็นเป็นของขยะเราก็ไม่อยากได้เราก็จะละได้ง่ายอันนี้มองด้วยปัญญาคือมองความไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆแล้วถ้ายัางละไม่ได้ก็ต้องแสดงว่าสติเรายังมีกําลังน้อย ก็พยายามฝึกสติให้มาก ๆ, ๆพุโทโธพุธโทโธอยู่เรื่อยๆเวลาเกิดความอยากแล้วยหยุดความอยากไม่ได้ก็ให้ท่องพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธไปถ้าเราไม่หยุดพุโทโธเดี๋ยวสติเราก็จะหยุดความอยากได้คำถามต่อไปจาก YouTube จากคุณเลลิตา ทุกเช้าที่ตื่นขึ้นมาจะมีอาการปวดหนึบในใจแบบไม่มีสาเหตุคือตื่นแบบที่เพิ่งได้สติก็ปวดใจเลยอันนี้คือเป็นตัวกัมตัวกิเลสที่จิตตามไม่ทันใช่ไหมคะทั้งที่ก่อนนอนก็สวดนมนั่งสมาธิตลอดเป็นมาสามเดือนแล้วคะ่ะก็มองว่ามันเป็นอนิจจังอนัตตาไปก็แล้วกันมันเกิดแล้วก็ดับมันมาแล้วก็ไปเราก็ห้ามมันไม่ได้ เวลามันมามันก็ห้ามมันไม่ได้เวลาจะมาแ้วให้มันไปมันไม่ไปแล้วก็คือให้มองว่ามันเป็นสภาวะธรรมเหมือนกับดินน้ำไฟดินฟ้าอากาศก็ปล่อยเขาไปตามเรื่องก็แล้วกันรู้เฉยเฉยรู้ก็ปล่อยวางคำถามต่อไปจากคุณเด็กน้อยๆกราบ น, นมัสการเรียนถามครับ แบบไหนจึงจะถือว่ามีสติต่อเนื่องครับใช้การนึกคําบริกรรมตลอดหรือนึกถึงความตายตลอดไหมครับอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เหมือนกันคือถ้าจะนึกถึงความตายก็ตายตายตายตายตายไปตลอดเวลาถ้าพุทโธก็พุทโธไปตลอดเวลาอย่าให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ถือว่าเรามีสติคําถามจากคุณชิชนุพง์ทุกกําหนดอย่างไรครับ ก็เวลาใครเ้าด่าเรานี่ก็กําหนดอยู่ที่สุขหรือทุกข์ต<ม>ัวใหญ่จะทุกข์ใช่ไหมเวลาใครเ้าด่าเราก<ม>็กําหนดว่าเนี่ยเราทุกข์แล้วแล้วก็พิจารณาขั้นต่อไปว่าเราทุกข์เพราะอะไรเพราะเราไม่ชอบให้เ้าด่าเราใช่ไห ม, มเราอยากไม่ให้เ้าด่าเรา<ม>เราเลยทุกข์ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ทำไงแล้วก็พลิกมันกลับมาสิก็อยากให้เขาด่าสิอออยากให้มันดา่าเรา ถ้าเราอยากให้เราได้สิ่งที่เราอยากได้เราก็จะไม่ทุกข์เราก็จะมีความสุขงั้นเราต้องมาแก้ตัวนี้แก้ในความอยากสิ่งไหนที่เราไม่อยากได้ก็ต้องอยากได้สิ่งไหนที่เราอยากได้ก็ต้องไม่อยากได้อยากให้ก็ชมก็เราเปลี่ยนเป็นไม่อยากให้เขชมพอก็ไม่ชมเราก็จะไม่ทุกข์แต่ถ้าอยากก็ชมแล้วก็ไม่ชมเราก็จะทุกข์ขึ้นมางั้นต้องมาแก้ที่ความอยากของเรา ความทุกเกิดจากความอยากอยากได้อยากไม่ได้สองตัวนี้อยากมีอยากไม่มีอยากเป็นอยากไม่เป็นคำถามต่อไปจากคุณพันธิวาเอาธรรมะพระอาจารย์ไปทําตามแล้วไปบวชวัดที่เน้นภาวนาอย่างเดียวติดขัดอะไรก็เอาธรรมะพระอาจารย์ไปพิจารณาแบบนี้มีโอกาสบรรลุธรรมไหมครับมีมีถ้าลองปฏิบัติเราก็ต้องมีโอกาส จะมากจะน้อยก็อยู่ที่ปฏิบัติมากปฏิบัติน้อยปฏิบัติถูกก็ไม่ถูก อ, อ, องอย่างนี้ต้องสุปฏิปันโนปฏิบัติดีปฏิบัติมากแล้วก็ปฏิบัติชอบก็ปฏิบัติให้ถูกปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติดีก็คือปฏิบัติมากปฏิบัติชอบก็คือปฏิบัติให้ถูกยังไม่มีคำถามเข้ามาเจ้าค่ะ เมื่อกี้มีใครอยากจะถามเมื่อกี้เห็นมาพูดอยู่ปั๊บมึงหายไปแล้วปับไปแล้วไม่เลยโอเคไม่นีก็พูดต่อกนิดหนึง่งความทุกของเราก็เกิดจากความอยากของเราเองของต่างๆมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวให้เขาพูดกันพูดต่างๆพูดใกล้ๆปาก ขอความกรุณ า, าพระอาจารย์ช่วยแนะนําด้วยค่ะว่าควรจะปฏิบัติอย่างไรเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยสมาธิไม่ทรงตัวนะคะบางครั้งก็ทําได้ดีบางครั้งก็ทําทได้ไม่ดีไม่ต่อเนื่องค่ไม่ต่อเนื่อง <c oughs> ต้องพยายามฝึกสติพุโทโธพุโทโธอย่าปล่อยให้ใจลอยไปลอยมากับเรื่องนั้น เ, เรื่องนี้ให้อยู่กับเรื่องที่เรากําลังทําอยู่ถ้าเรากำลังอาบน้ำก็ให้อยู่กับเรื่องอาบน้ําอย่างเดียวกําลังกินข้าวก็ให้อยู่กับการกินข้าวอย่างเดียว กำลังเดินก็อยู่การเดินอย่างเดียวอย่าให้ไปคิดยังนคิดทรืงนี้ที่มันที่มันไม่ตั้งมั่นก็เพราะมันลอยไปลอยมนาะเราไม่ดึงมันไว้เราก็ยอมพบว่าเวลาอยู่ที่วัดเนี่ยสติจะต่อเรื่องดีกว่าอยู่ที่บ้านเพราะว่าอยู่ที่บ้านเนี่ยยม แพกิเลสค่ะโยมชอบดูซีรีส์ค่ะพระอาจารย์เออที่บ้านมันมีสีเรื่องราวที่จะทําให้กิเลสมันเกิดขึ้นง่ายที่วัดมันไม่ค่อยมีเรื่องราวทําให้กิเลสเกิดขึ้นก็เลยไม่ค่อยมีกิเลสมาคอยบครบกวนใจถึงคนถึงชอบไปอยู่วัดกันไปอยู่ที่มันสงบ ก, กายวิเวกแล้วจิตก็จะวิเวกแต่ถ้ากายรอบด้านด้วยกิเลสตัณหามันก็มันก็ไม่สงบอย่างั้น ต้องไปหาที่ที่มันไม่มีข้อสิ่งที่ทำให้เกิดกิเลสขึ้นนะคือรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆหมายถึงว่าตอนนี้เรายังไม่แข็งแรงเพราะฉะนั้นเราต้องตัดซีรีย์ออกไปก่อนแล้วอพ อ, อจิตเรามีกำลังเราค่อยวางได้เร็วขึ้นใช่ไหมครับถามีกำลังเราอยู่ที่ไหนก็ได้แต่ตอนต้นนี้เราต้องไปอยู่ที่ที่เรา <c oughs> สร้างกำลังขึ้นมาให้ได้ก่อนต้องไปอยู่วัดบ่อยๆไเตะเยเว่ยกนบ่อย ในเช่นนั้นพระพุธเะจ้าก็ ป, ปฏิบัติในวังก็ได้ปฏิบัติไม่ได้ในวังมีแดนเรื่องของกิเลสเท่านั้นต้องไปปรีกิเวก6ปีพอตัดสน ร, รู้แล้วก็กลับไปแสดงธรรมในวังได้ไปสอนคนในวังต่อไปได้โอเคเชิญได้ได้เชิญนะข้มามาเดี๋ยวมาเอาไมโครโฟนนะมงเดี๋ยวเดี๋ยวพูดใกล้ๆไมโครโฟนจะได้ยินกันทั่วถึง ครับถ่ายนมัส ก, การพระอาจารย์เจ้าค่ะโยมมาจากฉะเชิงเซาตอนนี้โยมได้มีโอกาสได้ดูแลทั้งโยมพ่อโยมแม่ขึ้นอายุ85เท่ากันเจ้าค่ะแต่บางครั้งเนี่ยโยมพ่อก็ยังไม่เข้าทางเรื่องทางธรรมมากเจ้าค่ะโยมพยายามที่จะนําเรื่องให้การไหว้พระสวดมนต์ที่เป็นพื้นฐานก่อนนะเจ้าค่ะเพื่อที่ให้โยมพ่อได้ปฏิบัติทางนี้ให้ได้แล้วค่อยๆเอาทางที่ละเอียดขึ้นนะเจ้าค่ะทีนี้โยมอยากจะขอคําแนะนําของพระอาจารย์สักนิดหนึ่งนะเจ้าค่ะ ว่าจะทำอย่างไรดีเจ้าค่ะคือเราทำผิดหน้าที่หน้าที่ของเราคือเลี้ยงดูร่างกายท่านอ่าก็ทำหน้าที่เป็นเหมือนคนรับใช้่อยดูแลเรื่องปัจจัยสี่ให้ท่านอยู่กินสุขสบายส่วนเรื่องทางน้านจิตใจนี่ต้องอยู่ที่ท่านพร้อมที่จะให้เราช่วยหรือไม่ถ้าท่านไม่พร้อมเราไปยัดเยียดมันก็เหมือนกับบังคับให้คนกินของที่เขาไม่ชอบกินฉะนั้นอย่าไปบังคับเลยพยายาม หาโอกาสคุยกันได้ถ้าคุยเรื่องธรรมะได้ก็คุยไปเปิดธรรมะให้ท่านฟังได้ก็ฟังไปแต่ความอยากจะปฏิบัติมันต้องออกมาจากตัวเขาเองก่อนอถ้าไม่ออกมาแล้วไปทำเดี๋ยวก็ทะเลาะกันเปล่าเขาก็เกลียดเราเราก็เกลียดเขา แล้วในบางครั้งโยมต้องใช้แบบว่าให้เขาสบายใจอ่ะบางทีโยมก็ต้องแบบให้เขาสบายใจคือเราไม่ไปยุ่งกับเขาอเลยพอเราไปยุ่งกับเขาทําให้เขาไม่สบายใจโยมคิดว่าแบบเป็นการตอบแทนพระคุณไปบ้านปลายที่จะให้เขาเข้าทางทําให้มากที่สุดแต่ตอบไม่ถูกเลยแต่โยมก็เลยคิดว่าโยมเป็นเป็นบาปหรือเปล่าบางทีก็จะเกิดอารมณ์ขุนวัวกันแล้วก็เกิดมีปติฆากันในใจอย่างเงี้ยไม่ถึงกับบาปแต่มันก็ไม่เป็นบุญเป็นกุศลอมันเป็นอกุศลมันไปสร้างความ ขมขื่นให้กับกันและกะารทำของอะไรต่างๆนี้ตัอ้งอยู่ที่ความสมัครใจความพอใจอผู้รับให้ของที่เขาไม่ถูกใจเขารับเขาก็โยนทิ้งไปอยู่ดีอเป็นะนี้ ย, <laughs> นะ ย, ยกประจักรเลยเจ้าค่ะเลี้ยงดูร่างกายเขาเสร็จเายินดีให้ดูแลหากับข้าเขาใช่ใช่เจ้าค่ะเราแฮปปี้แต่พเอาเรื่องธรรมมาให้เขาเนี่เขาไม่เอาเขาอยากจะดู youtube ก็ปล่อยเขาดูไปดูดูหนังก็ปล่อยเขาดูไปเจ้าค่ะนี่เป็นความสุดของเขา ยมกระจ่างเลยเจ้าค่ะเราจะทาหน้าที่แค่ลูกพี่ดีเ่านเจ้าค่ะดูแลร่างกายเจ้คนจิตใจต้องอยู่ที่ความสมัครใจอยู่ที่ความยินดีของเขาถ้าเราบอกลูกพาพาพ่อไปวัไหน่อยซิเปิดบทสวดมาให้พ่อฟังหน่อยซินี้ปล่อยได้โอเคเจ้าค่ะยมสบายใจเจ้าค่ะโอเคครับนักวาการขอบพระคุณพระจ้าเจ้าสอนท่านไม่ได้นี่ไม่ถือว่าเป็นความอคันอยู่เจ้าค่ะ อยู่ที่ว่าท่านจะให้สอนหรือไม่ให้ช่วยหรื<ค>อไม่นนทางด้านจิตใจคุณจะ่านเข้ า, ามาเชิญเาาชิญเข้ามาเลยาการถึวัสการพระอาจารย์ครับกำหนดทุกเมื่อกี้ครับพอดีพอปฏิบัติแล้วให้สติมันอยู่กับร่างกาย ต, ตื่นทำมาได้สักหลักเดือน ทีนี้พอกําหนดลงไปไม่ว่าจะเวทนาที่นั่งนานๆหรือว่าอย่างเมื่อกี้ตื่นเต้นอ่ะก็ดูแล้วมันมันชอบหายผมก็เลยงงว่าทุกกําหนดยังไงที่ถามในยู u ูบอะครับอ๋อทุกไม่ได้ไปกำหนดเราเราให้มันเกิดแล้วใครกํากหนด <c oughs> เร า, าให้โดนด่ากันเราให้ใครก็ตอบโค้ดแล้วกันะแล้วตอนนั้นดูที่ทุกเกิดหไม่เกิดถ้าเกิดจะได้รู้ว่ามันเกิดเพราะอะไรแล้วจะหยุดมันได้อย่างไร ถ้ามานั่งคิดตอนนี้ก็เป็นเพียงทฤษฎีคิดว่าเขาด่าเราเราทุกข์พราเราไม่ชอบเขาดา่าแต่มันไม่ถึงใจมไม่นหมือนกับตจอของจริงเราเจอคนเราเจอคนเขาดา่าเราจริงๆนี่เราจะรู้ว่าใจเราทุกข์ขึ้นมาทันทีแล้วถ้าเรารู้ว่าทุกข์เพราะเกิดความอยากไม่ให้เขาด่าเราก็ เ, าเปลี่ยนใจเลยเปลี่ยนให้เขาอยากให้มันดา่าปล่อยมันด่าไปมันอยากจะดา่าก็ปล่อยมันด่าไปอย่าไปทุกข์กับมันเราก็จะหายทุกข์ การปฏิบัตินั้นต้องเจอของจริงถ้าเรามานั่งคำนดนี้เป็นเพลงแต่จินตนาการยังไม่เป็นปัญญา <c oughs> จะให้เป็นปัญญาเป็นของจริงนี้ต้องเจอของจริงแต่ใช่บางทีเราก็ต้องซ้อมไว้ก่อนซ้อมไว้ก่อนว่าเราไม่ชอบอะไรออกไปเจอสิ่งที่ไม่ชอบเราก็จะทุกข์ขึ้นถ้าเราใจเย็นไม่อยากให้ทุกข์แล้ต้องเปลี่ยนความไม่ไม่ชอบให้เป็นเฉยเฉย พระเจ้าก็ด่าก็เปมึงเฉยๆเขาจะด่าก็เฉยๆไปห้ามก็ไม่ได้ น, นี่คือการกาหนดทุกพอใจครับเข้าใจครั บ, รบโอเคลองไปทําดูมีคำถามจากเฟ e บ o o k เจ้าค่ะจากคุณสวนนีีทำบุญให้สามีผู้ร่วงรับวิธีไหนดีที่สุดเจ้าค่ะถึงจะได้รับบุญทําทานผู้เจ้าบอกให้ทําทาน ททมาากกนน้้้้ออยย็ไไดดคำถามจากคุณแม่จา ก, กับน้องมีนานั่งสมาธิไม่รู้สึกเจ็บหรือว่ารู้สึกอะไรเลยแต่พอออกจากสมาธิจะลงขึ้นเดินขาเป็นตะคริวไม่สามารถยืนได้เลยค่ะอยากรู้ว่าความที่เราไม่รู้อะไรเลยตอนนั่งสมาธิคืออะไรคะคือรับถ้าไม่รู้อะไรก็รับ มันต้องรู้รู้ว่าตอนนี้เรานั่งเราจิตเราเน่งสงบไม่มีความรู้สึกเจ็บตรงไหนปวดตรงไหนต้องรู้ถ้าไม่รู้อะไรเลยก็แสดงว่าเราหลับคำถามจากคุณเบสิตาเจ้าค่ะพระอาจารย์มีคำแนะนำสำหรับผู้หญิงที่ทุกข์กับทางโลกมากจนอยากบวชแต่ไม่สามารถทำได้ไหมคะก็บวชทางใจไปก่อนถือ ทางใจรักษาศีลทางใจไไม่ต้องไม่ต้องโกนหัวไม่ต้องนุ่งขาวห่มขาวพยายามรักษาศีลถ้าที่เราจะรักษาได้ข้อไหนยังรักษาไม่ได้ก็เอาไว้ก่อนรักษาที่ข้อเรารักษาได้แล้วก็มันฝึกสติมีเวลาว่างก็หันนั่งสมาธิฟังเทศฟังธรรมไปก่อนคำถามจากคุณนิพนธ์เจ้าค่ะสมาธิกับมรคมีองค์แปดอะไรมาก่อนครับ ออเปนมาพร้อมๆกันนะแต่เวลาสร้างมันมันต้องสร้างทีละขั้นทีละตอนแต่พอถึงเวลาที่จะใช้งานมันต้องใช้พร้อมๆกันหมดขั้นต้นก็สร้างศีลขึ้นมาก่อนสร้างศีลได้ก็ไปสร้างสติสร้างสมาธิแล้วก็สร้างปัญญาพอได้ครบแล้วทีนี้ก็เอาไปต่อสู้กับกิเลสดับความทุกข์ต่างๆได้คําถามจากคุณอัครเดชแก้วดีเรียนสอบถามพระอาจารย์ครับ จิตและสติเป็นของยั่งยืนหรือเปล่าครับหรือเป็นเพียงสิ่งชั่วคราวครับสติมันมากับจิตนยะแต่สติมันมามันมาแล้วไปบางทีก็มาบางทีก็ไปแต่จิตนี่เป็นของยั่งยืนสตินี้มันก็เกิดดับเกิดดับบางทีก็มีสติบางทีก็ไม่สติแต่ถ้าเราฝึกต่อไปเราก็ทำให้สตินี้ยั่งยืนอยู่คู่กับจิตไปตลอดเลยก็ได้ คำถามจากคุณสุธาทิพย์ค่ะขอกราบเรียนถามพระอาจารย์ถ้าจิตมียึดมั่นในตัวบุคคลคนหนึ่งไว้เพื่อให้เราเป็นทำในสิ่งที่ดีเป็นคนที่ดีขึ้นควรจะทําอย่างไรให้ความยึดมั่นในบุคคลอื่นนั้นจางคลายไปเจ้าคะ่ะก็คิดถึงอันนี้จังในบุคคลอื่นนะของทุกอย่างไม่เที่ยงไม่ช้าก็เร็วก็ต้องมีการสิ้นสุดลง ถามจากคุณเบลเบลกราบนวัตกรรมพระอาชารเห็นความคิดว่าไม่ใช่เราเห็นความคิดทั้งดีและไม่ดีแล้วกลับมารู้สึกตัวอยู่กายลมหายใจเห็นความคิดไม่ดีต้องทําอย่างไรคะความคิดไม่ดีก็ควรจะหยุดมันความคิดที่ดีก็ควรจะส่งเสริมมันอ่าเดี๋ยวมีคนถาม นามัสการพระอาจารย์นะครับเราจะมีวิธีสังเกตสภาวะจิตตัวเองได้ยังไงในเรื่องการถอนอุปทานขันธ์ครับขั้นตอนเราต้องมีเครื่องมือก่อนเราต้องมีสติมีสมาธิก่อนเราถึงจะมาสามารถสังเกตดูจิตชตนได้อย่างั้นตอนถ้าไม่มีเครื่องมือก็เหมือนคนที่สายตาสั้นต้องไปทําแว่นตาก่นถ้าไม่มีแว่นตาใส่มันก็มองไม่เห็นคล่องไม่ชัด ก่อนที้ไม่มีสติสมาธินี่มองมองจิตไม่ไนดน้มองไม่เห็นมองไม่ชัดเข้าใจไหมสติรู้ทันก่อนอฝึกสตินั่งสมาธิให้จิตรวมเป็นสมาธิก่อนครับแล้วพอจิตมีสมาธิจิตก็จะสามารถมองเห็นจิตได้ก็จะมองเห็นว่าจิตคิดไปในทางดีทางไม่ดีได้คิดไปในทางยึดหรือไม่ยึดได้ครับก็จะหยุดมันได้คือเอเรา เราจะ ส, สังเกตยังไงว่าเราไม่คิดไปเองคือเราถ อ, ถอนตัวนั้นได้จริงๆหรื อ, <ข>อว่าเราหลงไปกต้องมีสต<ถ>ิสมาธิแล้วมันก็จะเห็นเองครับถ้าไม่มีสติสมาธิมันก็ไม่เห็นมันก็งงเป็นความคิดหรือเป็นความจริงก็ไม่รู้ครับมัน้องฝึกสติสมาธิก่อนมันอย่างที่บอกคนตาสายตาสั้นถ้าไม่มีส่แว่นตา ม, มันก็มองไม่เห็นมองไม่ชัดครับเอาแว่นตามาใส่ก่อนหาสติสมาธิมาใส่ ครับครับขอบคุณพระอาจารย์มากครับมีคำถามจากคุณเดซิตาค่ะอาการเบื่อทางโลกเดือกับการอยู่ในกระแสโลกทำมาหากินอยากปวดอยากหนีความวุ่นวายถือเป็นตัวกิเลสตัวหนึ่งใช่ไหมคะก็แล้วแต่ว่ามันเบื่อเพราะอะไรมันเบื่อเพราะว่ามันประสบกรรมนุ่มเหลวในชีวิตมันก็เบื่อ แต่ถ้ามันไม่ลมเหลวมันก็อาจจะไม่เบื่อถ้าอย่างนี้ก็เป็นเรื่องของกิเลสแต่ถ้าเป็นเรื่องของธรรมก็ถึงแม้ประสบความสําเร็จของชีวิตก็ยังเห็นว่ามันเป็นของทุกข์มันยังเป็นทุกข์เป็นเพราะมันเป็นของไม่เที่ยงอยู่ต้องต้องเบื่อแบบนั้นเบื่อทางธรรมต้องเบื่อเพราะว่าเห็นว่ามันไม่เที่ยงเห็นว่ามันเป็นทุกข์ไม่ว่าจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จก็เป็นทุกข์คําถามจากคุณมนตรีเจ้าค่ะนอนฟังธรรมะ และภาวนาไปด้วยจนหลับไปทุกวันแต่ก็ยังฝันยังพรุงอยู่เป็นทุกข์มากอยากถามพระอาจารย์ว่าจะทำอย่างไรถึงจะไม่ฝันทุกวันหรือเปลี่ยนมานั่งภาวนาก่อนนอนแทนครับเขาต้องฝึกเสด็จนั่งสมาธิให้ม่งว่าห้จิตนิ่งให้สงบถ้าจิตไม่นิ่งไม่สงบเวลานอนหลอมันก็จะคิดมันก็จะฝันไป ถามจากเฟซบุ o กเจค่ะเรียนถามพระอาจารย์ค่ะนั่งสมาธินานเท่าไหร่จึงจะพอคะ อ, อ๋อทั้งวันทั้งคืนเลยเดินจงกรมผัดผัดกับการนั่งสมาธออินั่งสมาธิไม่ไหวก็ลุกขึ้นมาเดินจงกรมเดินจงกรมไม่ไหวก็กลับไปนั่งสมาธิต่อไม่ต้องทําอะไรอย่างอื่น คำถามจากคุณจันิพาการตักบาตรแต่ไม่ได้ถวายน้ำเมื่อตายไปแล้วจะไม่มีน้ำในโลกทิพย์จริงหรือไม่คะไม่จริงหรอกไม่จริ ง, รงาทําหมดแล้วจ้ะค่ะเคเวลาก็พอสมควรก็ขอให้ท่านจงนำเราสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในทายิ่งยิ่งขึ้นไปเธ